ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะ ก, ก่อนฉันเรื่องตายแล้วอยากไปไหนโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2536ณพุทธสถานปทมโสกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ จเจริ่นทำญาติโยมผู้ยังใฝ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่เรามีกิจอันหนึ่งนั่นก็คือกิจจะต้องชาปนกิจศพหรือร่างกายของผู้ที่สิ้นชีวิตลงเราก็จะทําโดยวิธีการเผาชาปนา น, นิจแปลว่าการเผาเผาเพื่อให้สลายเป็นกรรมวิธีทางฟิสิก ในกระบวนการทีทางธรรมดาสามันของโลกก็เ ข, เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะมันก็จะทําการพอเผ า, าก็จะเกิดการสังเคราะห์หรือปฏิกิริยาเผามันก็จะเกิดการสลายย่อยตัวแตกตัวทําลายดินน้ํามลมไฟให้ไปเป็นสภาพเดิมอะไรมันจะแตกตัวเมื่อได้รับความร้อนเมื่อได้รับการเผาแล้วมันก็จะสลายเป็นสภาพที่กระจายออกไปเป็นดินน้ํามลมไฟซึ่งเป็นธาตุหลักของโลก ส่วนจะเป็นอื่นอืนอีกก็เป็นนะเป็นแล้วแต่ดินน้าลมหรืออากาศอะไรมันจะเป็นอะไรไปมันก็เป็นนะและร่างกายนี้ไม่ได้มีวิญญาณอยู่แล้ววิญญาณดับศูนออกไปจากร่างแล้วนะวิญญาณที่ดับศูนออกไปจากร่างนี้คนเข้าใจวิญญาณกันยังไม่ถูกเข้าใจว่าวิญญาณนี่เป็นอัตภาพล่องรอยแล้วก็เดาว่าจะเป็นเหมือนกับอย่างคนเป็นเป็นเนี่ย จะต้องรับรู้สึกเหมือนอย่างคนเป็นๆติดต่อได้เหมือนกับมีวาวรทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไปได้มาได้ล่องลอยไปมาได้เป็นสัมภเวสีเป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับล่องลอยไปหาที่เกิดนน น, นนี่ๆตามที่รัฐที่หลายรัที่เขเข้าใจเมือ่อพรุทธเจ้าท่านตรัดกะสุภูติสุภูติสุภูติสูตร ท้งนตรัยสุพุติเนี่บอกว่าไม่ใช่ใครเข้าใจเข้าใจวิญญาณอย่างนี้เป็นผู้มีทิฏฐิลามกเป็นผู้ผู้มีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าวิญญาณจะล่องลอยไปไ ป, ไปมามาไนอโนนไอเนียอะไรนี่ไม่ใช่วิญญาณของมนุษย์นั้นน่ะอยู่ได้องค์ประกอบถ้ายังไม่เป็นปรินิพานก็มีองค์ประกอบของวิบากเท่านั้นเองเมื่อตายแล้วไม่มีรูปนามขันธ์หน้า จะใช้อะไรอะไรเหมือนอย่างคนเป็นเป็นไม่ได้แต่เราเดาว่าเป็นเดากันมามากเลยเดากันไปจนกระทั่งแบบมีฤทธิ์มีเดชมีน้นมีนี่รับครูอย่างง้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เข้ามาหลอกมาหลอนกันซึ่งเป็นอุปทานทั้งสิ้นไอ้หลอกหลอนเนี่ยอุปทานนี่หลอกหลอนคนมามากนานจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลอกมีหลอนกันอยู่ยังไม่เข้าใจจริงไอ้หลอกหลอนนี่มันเป็นความหลอกจริงๆตัวเองหลอกตัวเองด้วยอุปทานของตัวเองคนไหนที่เห็น ผีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคนอุตริเรียกว่าคนคนมิจฉาทิฏฐิโง่เงาเห็นผีเห็นอะไรอะไรหลอกๆพวกเนี่ยคนที่จะเห็นผีจริงๆนั้นคืออริยบุคคลพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอริยบุคคลเท่านั้นท่านตรัสว่าผู้ที่จะเห็นผีจริงนั้นคืออรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเห็นผีไม่ใช่อรหันต์กับพระพุทธเจ้าแล้วเห็นผีหลอกทั้งนั้นเห็นผีหลอกทั้งนั้นและมันก็ได้หลอกคนมามากมาย เช่นว่าจะมาหลอกเราจะมาพบเราจะมาหาเราก็กลัวกันว่าคนตายแล้ววิญญาณจะมาหาเราก็ขออธิบายให้ฟังแล้วก็ขอยกตัวอย่างอ้างอิงให้คิดนะคิดดูดีๆนะถ้าเผื่อว่าวิญญาณที่ตายไปแล้วไปได้มาได้วิญญาณก็ต้องมาเพราะว่าถ้าคนรักกัน พ่อแม่ตายจากลูกก็ต้องรักลูกก็ต้องมาหาลูกหรือหรือว่าลูกตายก็รักพ่อแม่ก็ต้องกลับมาหาพ่อแม่หรือคนที่รักกันพวเมียคู่รักรักกันปานจะกลืนกินขนาดคลาดกันห่างกันยังไม่ค่อยได้เลยมันก็ต้องอยากมาหากันแน่นอนเพราะฉะถ้าวิ ญ, ญญาณที่ตายแล้วนี่ก็มีส่วนละคนเราก็ต้องมีคนที่รักเป็นธรรมดา แล้วก็อยากมาหาอยากมาพบเป็นธรรมดาโดยเฉพาะยิ่งปุตุชนคนโลกโลกธรรมดาเนี่ยมันรักกันมันตายาจากกันยิ่งตายจากกันยิ่งอยากมาหากว่าเลยนะคนธรรมดาเป็นๆ น, นี่มาหากันยังอยากมาหากันอยู่แล้ารักกันคิดถึงกันและยิ่งตายจากนี่มันยิ่งคิดถึงมากแน่นอนเพราะมันตายจากเปลี่ยนภาพเปลี่ยนสภาพที่ต่างกันไปตั้งเยอะ <_' ot> เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าวิญญาณไปมาหากันได คนที่ตายจากกันจะต้องมาหากันขนาดคนเป็นยังร้องไห้หาผู้ตายแล้วทาไมผู้ตายมันจะไม่ร้องร่ําหาผู้ <c oughs> ผู้ผู้เป็นล่ะวิญญาณที่ตายแล้วจึงต้องมาหาผู้เป็นแน่แต่โดยความจริงแล้ววิญญาณมาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนตายร้อยคนร้อยครอบครัวร้อยรายที่มีการตายจากกันร้อยทั้งร้อยไม่มา ไม่มาขอยืนยันแต่ที่ไปโอ้ยมามาหาฉันอย่างงั้นมาก็ ก, ก, ก็แก๊แก้งมาเห็นรูปเห็นตางได้กลิน่นได้อะไรก็แล้วแต่อุปทานทั้งนั้นพวกอุตตริเห็นจริงๆอุปทานนี่มันเห็นจริงๆเลยนะถ้าใครเรียนรู้ทางด้านจิตอัตมาเรียนรู้ทางด้านจิตเล่นจิตมาเยอะอุปทานเนี่เห็นจริงๆเลยเอานาะสะกดจิตลงไปแล้วก็พยายามกล่อมรับสั่งให้เห็นเสือ ลืมตามาเห็นเสือวิ่งแลนเลยถ้าตั้งที่ไม่มีเสือเอานาเนี่บนโต๊ะนี้เนี่ยลืมตา ม, มาหนาเนี่ลองดูซิในไม่มีอะไรนะบนโต๊ะตั้งที่มีขวดอยู่เนี่ยมีอะไรตั้งอยู่ก็ตามบอกว่าบนโต๊ะนี้ไม่มีอะไรหรอกลืมตามขึ้นมาเขาไม่เห็นอะไรที่พิสูจก็ไม่เห็นอะไรก็คือให้จับสิ่งนั้นสิ่งนี้บนโต๊ะนี้มาให้ซิจับไม่ถูกน้องหยิบซินี่ยในนี่มีมีไม่มาทัดไหมหรือมีขวดไหมหยิบขวดมาให้ซิ เขายิ่ไม่ถูกไม่รู้ล่ะเขาไม่เห็นขวดนี้หรอกให้เห็นก็ได้ไม่ให้เห็นก็ได้ทางตาทางหูทางเสียงทางลิ้นทางรสเอานาให้กินนี่นะหวานนะสะกดจิตเข้าไปแล้วก็สั่งให้หวานนะเชื่อเพราะสะกดจิตดีๆแล้วก็สั่งจิตได้เอาพริกขี้หนูให้กินเเคี้ยวหวานก็พริกขี้หนูมันหวานที่ไหนอ่ยหวานนี่คืออุปท า, านทั้งสิ้น สัมผัสแต่ต้องเอาหน้าจะเอาไฟเอาเหล็กแดงเผาไฟนาบแขนนี่นะเสร็จแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดอันนึงหรือว่าดินสอทแท่งหนึ่งแตะหนังทับสลัดเลยพองพองจริงๆอัตมาทํามาหมดแล้วเล่นมาหมดแล้วพิสูจน์มาไม่ใช่เล่นหรอกทำจริงจริงอ่ะอุปทานนี่ร้ายกาจมากแล้วเป็นได้จริงๆอย่างนั้นเห็นจริงเป็นจริงแต่มันไม่จริงนะแต่มันเกิดปฏิกิริยาได้ปฏิกิริยาสัมผัส และก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างที่อธิบายเล่าให้ฟังแล้วเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องอุปทานทั้งสิน้นใครเชื่ออัตมาเดี๋ยวนี้เด็ดขาดสนิทเลยคุณไปเดินลุยเลยป่ชาช้าไหนคุณก็จะไม่เจอผีไอ้ที่มันจะหลอกๆกันนะเพราะมันไม่มีไอว้วิญญาณผีอย่างนี้นะจะขึ้นมาจากหลุมจะนอนจะนี่มากถ้าเชื่ออัตมาเดี๋ยวนี้สนิทใจไปเลยไม่มีทางนอกจากคุณลึกๆอุปทานยังมีอะไรเนี่ยเอาไปเดี๋ยวมันหลอกตัวเองได้เหมือนกัน หลอกตัวเองไม่มีหลอกวิญญาณไปมาไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณังอนิทัตสนังอนันตังสัพพตโปพังหรือว่ามโนหรือวิญญาณนิอัสรีรังนะทูรังขมังคูห้าสยังจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอัสรีรังไม่มีขอบเขตอนันตังไม่มีสั้นไม่มียาวไม่มีใกล้ไม่มีไกลไปโน่นมานี่ไม่ได้ที่ว่าทูรังคมังเนี่ยมันเหมือนกับมันไปไกลได้ทูรังขมัง คือการส่งหรือว่าการกระแสรับไกลเนี่ยเรียกว่าโทระเนี่ยได้ทูรังคมังขมะแปลว่าเหมือนมันไปไกลแต่มันไม่ได้ไปจริงอนันตังมันไม่ขอบเขตมันไปไม่ได้มาไม่ได้มันไม่มีใกล้ไม่มีไกลมันไม่มีขีดหัวบนท้ายล่างตะวันออกตะวันออกตะวันตะวันออกเหนือใต้บนล่างอะไรมันไม่มีอนันตัง อนันตังก็คือไม่มีขอบเขตอนันตังวิญญาณไม่มีเราตามที่เราเดาจะไปจะมาจะมีตัวมีตนจะมีเนื้อมีใต้จะมีโน้นมีนี่จะมีอะไรอะไรไม่มีจะมีฤทธิ์มีเดชได้ก็ต่อเมื่อมีสุรภาโวสติมันโตมีร่างกายรูปนามคันหน้าเนี่ยจะมีฤทธิ์และก็จับสามารถที่จะพัฒนาเพราะจิตวิญญาณถ้าตายแล้วไปพัฒนาที่ไหนไม่ได้เลย พัฒนาได้ที่ในร่างกายนี้เรียกว่าชมพูทวีปที่มีสุระพาโวสติมันโตอิทัพรหมจริยวาโซคือโลกอิทัคือโลกลูกนี้ท่านเดียกว่าโลกร่างกายนี้รูปนามกันหนามีกายยาวานาคือกลางศอกพร้อมจิตใจมีสัญญากําหนดรู้เนี่ยอันเนี้ยอยู่ในเนี้ยเรียกว่าครูหาสยังเรียกว่าธรรมหรือว่าแหล่งที่อาศัย คูหาสยังสยังก็คูหาบวกอาศยะก็อาศัยอาศัยอยู่ในถ้ำนี้คนนี้เป็นครูหาสยังเป็นถ้ำหรือเป็นแหล่งที่จิตวิญญาณอาศัยอาศัยอยู่ที่สุดจิตวิญญาณจะชอบอาศัยตรงนี้ที่สุดเพราะมันใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดจิตวิญญาณจึงชอบที่จะอาศัยร่างกายจะมาเกิดจะมาอยู่กับร่างนี้เพราะมันมีประโยชน์เป็นสุรภาภวสติมันโตแล้วก็เป็นอิทะ พรมจริยาวาโสสามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์สามารถที่จะปฏิบัติประพฤติให้ได้สูงสุดพรหมจรรย์นี่ในศาสนาสมัยพระพุทธเจ้านี่นะคำว่าพรหมนี่สูงสุดทุกคนเข้าใจทั่วไปเลยแทบจะเรียกได้ว่าพรหมนี่ก็คือนิพพานพรหมนี่ก็คือสุดยอดของมนุษยชาติในความหมายนะสมัยพรุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดประพฤติจรรย์ยอลว่าการประพฤติผู้ใดประพฤติได้ถึงพรหมหรือเป็นดั่งพรหมนั่นคือสุดยอดพระพุทธเจ้าก็ลัอธิบายพรหมหรือพราม์นี่ว่านี่คือนิพพาน พระมันสมณพราหมณ์หรือว่าพระพรหมนี่ก็คือพูดถึงซึ่งยอดของมนุษย์ชาติผู้ปฏิบัติได้ถึงสุดยอดของมนุษยชาติเพราะนในร่างกายแท่งนี้นี่แหละเรียกว่าโลกนี้อิทะแปลว่าโลกแท่งนี้โลกนี้นี่แหละเป็นสถานที่ที่จิตวิญญาณจักอาศัยปฏิบัติประพฤติได้อย่างสูงสุดสุดยอด จะเรียกว่าพรหมจะเรียกว่าพราม์จะเรียกว่านิพานจะเรียกว่าอะไรในความหมายของพุทธนะแต่ในพรหมความหมายของศาสนาพรามณ์หรือในพราหมศาสนาของพราหมณ์ไม่เหมือนกันบัญญัติเดียวกันใช้ภาษาพราม์หรือพรหมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันส่วนพระเจ้านั้นไม่ได้บัญญัติใหม่ตั้งภาษาเขาเรียกอยู่แล้วว่าพรหมว่าพราม์ท่านก็ขานตามเขาเท่านั้นแล้วท่านก็มาอธิบายคําว่าพรหมว่าพราหม์ของท่านอย่างของท่านอย่างของท่านขยายความบ้างว่าพรหมพราหมนี่เป็น อย่างพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขยายความจากพราหมณ์หรือพรหมเนี่ยว่ามีลักษณะพุทธภาษาคำว่าพุทธนี่เป็นภาษาของบาลีแปลว่าเป็นผู้รู้รู้ตื่นเบิกบานวิเศษจนกระทั่งสุดท้ายก็เอามาแยกศาสนาก็เลยไม่เอาไม่เอาแล้วคำว่าพรามหมมาพรหมไม่เรียกซ้ําก็มาตั้งเป็นพุทธมาตั้งต่อเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ปรินิพานแล้วตั้งศาสนาเรียกว่าพุทธแต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าพุทธอธิบายอยู่นนในเนื้อความอธิบาย ว่าเป็นคุณลักษณะอย่างพุทธอธิบายเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ตั้งมาตั้งกันต่อเมื่อภายหลังมาแยกออกจากพราหม์จากผมว่าเป็นศาสนาพุทธก็เอาคําว่าพุทธมาใช้เพราะเงนินใครเข้าใจวิญญาณยังไม่ถูกก็จะลหลงไหลวิญญาณเข้าใจวิญญาณอย่างเพอ้อพกผู้ที่มีวิญญาณเป็นเจ้าของวิญญาณนั้นน่ะ ถ้าจิตวิญญาณยังไม่ปรินิพานวิญญาณยังไม่รู้จักความนิพานยังติดยึดเป็นอัตภาพอยู่มันก็จะติดยึดหรือแม้แต่ว่าเราจะยึดเองอย่างพระอริยเจ้าชั้นสูงพระโพธิสัตว์ยึดจิตวิญญาณไว้อยู่ยังไม่ปล่อยเมื่อยังไม่ปล่อยถ้าก็เจตนา ย, ยึดก็เป็นตัวเป็นต้นเป็นอัตภาพอยู่ไปอีกวนเวียนได้อีกแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ยึดไม่ติดจริงๆปล่อยวางหมดมีความสามารถถึงขั้นอรหันตผลสมบูรณ์ วางปล่อยได้แล้วมันก็วางจริงจิตวิญญาณก็ไม่เหลือแต่แต่ในขณะที่ยังมีธาตุรู้หรือจิตวิญญาณยังอยู่ในร่างกายนี้มันรู้ได้จะรู้อะไรก็ได้จะรู้ตามที่มนุษย์โลกเขารู้สามารถรู้ได้ตามมีประสิทธิภาพของความรู้แต่ถ้าสลายแล้วก็เลิกกันอย่างปรินิพานแล้วอย่าพระอรหันต์เจ้าปรินิพานพระพุทธเจ้าปรินิพานก็จบพระบริษัทท่านยังไม่ยอมนิพานยังไม่ยอมปรินิพานท่านก็อยู่แต่ท่านก็รู้ แล้วก็สะสมความรู้นั้นเป็นโพธิหรือเป็นสมาสมาสัมโพธิญาณต่อไปได้รู้ยิ่งรู้ลึกรู้ซึ้งแล้วก็ยังมีอัตภาพเหลือเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จะมีอัตภาพเหลืออยู่ต่อไปจนกว่าจะปรินิพานเมื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสร้างศาสนาเสร็จแล้วก็เลิกไปหรือพระโพธิสัตว์บางองค์บางรูปท่านเองภาคเพียรไปแล้วท่านก็สุดท้ายท่านก็ไม่ไหวแล้วเรื่องพระท่านก็ไม่ขอต่อแล้วไม่ไม่บรรลุสมาสมาสัมโพธิญาณก็ตาม ไม่บรรลุถึงเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็ได้สูงขึ้นไปตามที่ท่านพยายามภาคเพียรแต่สุดท้ายท่านก็ไม่ขอเอาละท่านบอกเิกแล้วก็ท่านก็รู้แล้วว่าท่านจะปรินิพานอย่างไรท่านปรินิพานเป็นพอท่านบอกเลิกท่านก็ดีทบายบายไม่เอาแล้วไม่ตอบภพตอบภูมิท่านก็วางทุกอย่างหมดอัตภาพพอตายในปางไหนยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่ของท่านวางจบมันก็หมดจบไม่เหลือ เกว่าศูนย์สิ้นทุกอย่างทุกสิ่งเพราะจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวตนของใครไม่ใช่ตัวตนที่จะพึงต่อสร้างพบสร้างชาติอะไรต่อไปอีกมากเพราะในเรื่องของจิตวิญญาณพวกนี้จึงไม่ใช่เรื่องพูดเล่นทุกวันนี้อรหันต์หรือโพธิสัตว์หรือเถรวาดมหายานอะไรทะเลาะกันแตกสังกเภทกันเพราะไม่เข้าใจความจริงเถระวาดเขาเอียงโตมหาอัตภาพอย่างมากทางด้านอัตภาพแบบพบแบบชาติอะไรก็ไม่รู้ ที่จะกรตมารู้แต่ว่าอธิบายอธิบายมันไม่ไหวมันมากเกินที่จะอธิบายสู่ฟังมหายาณกับบานเบิกไปใหญ่เลยได้แต่ความรู้จะช่วยเหลือแต่ผู้อื่นส่วนเทรวัตก็จะช่วยตนเองอหาทางออกของตนเองพระพิฆยาจะปรินิพานตัวเองสุดท้ายก็ไม่รู้จากจิตวิญญาณไม่รู้จักอรหัตผลที่แท้กลายเป็นฤูสีกลายเป็นพวกติดจิตติดวิญญาณแบบฤูสีไป ก็เลยคล้ายๆ ก, กันกับพวกฮินดูคล้ายกับพวกพราหมณ์อย่างทุกวันนี้เต็มไปหมดพูดเดือเนี่ยคล้ายพวกพราหมณ์แหละเป็นเทวนิยมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าก็พระพุทธรูปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปก็มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์มีอาํานาจบดอบรันดาลมีอํานาจอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นเทวนิยมเป็นวิญญาณ น, นิยมถือวิญญาณเป็นตัวเป็นตนถือวิญญาณเป็นเป็ น, ปนอํานาจตามที่เขาเด า, ด า, ดาเอา เข้าใจเอาอะไรเอ า, า, เ อ, าอะไรเอาเอาสตามาก็เคยอธิบายเาสร็จแล้วก็หาว่าธรรมานี่มาทําลายศาสนาพุทธมาพูดให้เพี้ยนไปจากที่โบราณอาจารย์ก็พูดก็โบราณอาจารย์หลงผิดมาตั้งเติมมา่อไหร่ไม่รู้จนกระทั่งบานปลายมาผิดจนเลอะเทอะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เล่นกันโนหคนคิดคนตายแล้วก็ต้องเอาข้าวเอาหน้ามาให้กินโถเอ้ยนะเอาไม่กินแล้วเขาบอกว่าไม่เอากลางกายไม่กินเราแต่วิญญาณกินวิญญาณมันกินก็ไปได้อย่างไงวิญญาณมันนา ม, มาทํา วิญญาณนี่กินวิญญาณต้องหิวข้าวมันตลกตั้งแต่เริ่มต้นว่าคนตายแล้วเนะี่ยต้องให้กินข้าวกินน้ำถึงจะมีชีวิตอยู่วิญญาณถึงจะอยู่ได้ก็ให้ข้าวให้น้ำกี่เจ้าหรอพอตายไปแล้วเผาไปแล้วเนี่ยปีหนึ่งเพื่อมาทำบุญส่งข้าวสซน่าไม่กินทีหนึ่งปีหนึ่งกินข้าวมันไม่ตายเป็นอะไรไปหมดแล้วเหรอปีหนึ่งคขากินข้าวห น, หนึ่ะบางคนก็หกเดือนหรือยวันก็ไปให้กินทีง ไอ้่จะให้กินทุกวันทุกวันยิงกมีกี่รายกันตายแล้วก็เอาข้าวให้กินอยู่ทุกวันมีกี่รายกันถึงไม่กี่รายก็เถอะให้กินไปจะนานเท่าไหร่ต่อไปมันก็ไม่ให้กินอีกแล้ววิญญาณก็ไม่ได้กินข้าวก่อตายกันพอดีตลกแล้วตายเราจะตายจากวิญญาณตายไปเป็นอะไรแต่ตอนนี้นึกไม่ออกแล้วตายจากร่างกายนี่ก็ไปเป็นวิญญาณตายจากวิญญาณไปเป็นอะไรตอนนี้นิพานเลยใช่ไหม สวยเลยนะก็นั่นก็อยากให้กินสิขา่าจะได้นิพพานเลยวิญญาณจะนิพพานไปโดยไม่ต้องปฏิบัติอะไรสบายมากเลยหรือตายมาเป็นคน <c oughs> มันยังไงกันแน่มันกลับไปกลับมาไงตายจากคนมาเป็นวิญญาณตายจากวิญญาณมาเป็นคนตายยัง ไ, ไงเนี่ยนะคิดไปคิดมาแล้วมันยิ่งวุ่นยิ่งสับสนเพราะความไม่รู้จริงขอยืนยันว่าวิญญาณไม่กินหรอกถ้าจะมี ก็จากเราถูกหลอกแล้วเราก็เชื่อไปติดในความนึกคิดของเราเป็นวิบากของเรามันเชื่ออย่างนี้เป็นวิบากเป็นสัทธินีหรือศรัทธาพระมันไม่ใช่สิทธิศรัทธาพระสัทธินีศรัทธาพระต้องเรียกอินทรีย์พระทางด้านธรรมะนี่มันเป็นกําลังเหมือนกันมันเป็นอํานาจเหมือนกันเป็นความเชื่อมั่นเหมือนกันเชื่อมั่นไปในทางผิดผิดมิจฉาทิฐิเชื่อมันว่าจิตวิญญาณนี่จะกินข้าวเป็นวิบากติดตัว เชื่อจกนกระทั่งตายมาเกิดใหม่อีกยังเชื่ออย่างนี้อยู่ต่อเลยอธิบายให้ฟังยังไงก็ยั ง, งงงงยังไม่เชื่อที่อาตมาพูดหรอกกินข้าวกินนั่นกินนี่เสร็จแล้วก็มาอุทิศเสร็จแล้วก็มาทําให้ไปให้ไปถึงรูปมันไม่ไปนะแน่ ๆ, ๆอยู่แล้วเอาข้าวมาถวายเอาเอาข้าวมาทําการถวายพระแล้วก็ให้อุทิศส่วนกุศลเนี่ยข้าวจะได้ไปถึงพอผู้ตายาเอาไม่รู้อชอบเป็ดชอบไก่อะไรก็เอาเป็ดเอาไก่มาถวายพระพร ะ, พระก็รอตุยตยุเสร็จแล้วก็อุทิศไปผู้ตาย มันรู้อยู่ใกระเพาะพระหมดเลยไม่ได้ไปเลยพระเคี้ยวกรีนกินคนตายก็ต้องมากินเศษเดนพระเคี้ยวนี่แหละถ้ามันจะไปอ่ะแล้วมันก็ไม่ไปมันมาสังเคราะห์เรี้ยงร่างกายแล้วไม่ไปแล้วเราก็เข้าใจกันมาไปเขาก็บอกว่ารูปมันไม่ไปนามมันไปนี่ยนามมันมันอ้านามอะไรก็ไม่รู้ไอสัตว์ตายแล้วก็ไม่เห็นมีนามอีกก็ไปซากสัตว์อีกเหมือนกันนั่นแหละ นามมันไปเอ้ยเอานามอะไรไปก็ไมาลูกเลอะเทอะกันใหญ่เลยอีต่มาพยายามพูดพยายามอธิบายให้เข้าใจชี้ออกมายืนยันยืนยันมันมีเหตุมีผลมันมีหลักฐานยืนยันนะมันไม่ไปก็ว่าไปงมงายอยู่ไหนไห น, ไหนพูดไม่ทำนะสมัยพระุทธเจ้าไม่มีในพระธะรมปิฎกไม่มีเรามาทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้กันแบบโลกโลกแบบอะไรอะไรพวก น, นี้ยพูดกันงมงายพูดกันเอาเองนะอุทิศแปลว่าความมุ่งหมาย อุทิตนี่ปแปลว่าเจตนารมแปลว่าความมุ่งหมายเส็จแล้วก็มาแปลว่าให้ส่งไปให้ <c oughs> อุทิตแปลว่าส่งไปให้มันเข้าใจผิดอุทิสตภาษาบาลีนี่แปลว่าความมุ่งหมายแปลว่าเจตน า, นาอุทิตเนี่ยแปลว่าเจตนาแปลว่าความมุ่งหมายไม่ได้แปลว่าส่งไปให้ <c oughs> อุทิตไปให้คือส่งไปให้ไม่ไม่ใช่เลอะเทอะไปหมดภาษาก่อเพี้ยนจนมาเข้าใจคำว่าอุทิตทุกวันนี้นะแปลว่า ถ้าบอกว่าอุทิศกับแต้ว่าส่งไปให้ใช่ไหมมันมาจากอุทิศสวนกุศล น, นี่แหละเอาทีนี้อุทิศส่วนกุศลเอาละผู้เป็นนามมาทําเป็นรูปธรรมมันไม่ได้มันไม่ไปแน่แน่เลยแล้วละนะแม้แต่จะมาทําวิธีแบบว่าจะให้มันไปโดยวิธีแบบกงเตกกันนะเอามาเผาเลยนะไปขี้เท่าเลยว่าเถอะก็เป็นขีดเท่าเห็นเนี่นะแล้วไปแลนะและปลอมเลยนะกงเตกกับปลอมนะรถเบนซ์อย่างปลอมเลยนะ ซื้อรถเบนซ์มาในปลอมๆมีกระดาษนะเพื่อตนะิดเป็นรถเบนซ์ดีไม่ดียส่งคนใช้ไปให้ตัดเป็นกระดาษเป็นคนใช้นะเผาไปให้เลยบางคนตั้งชื่อเลยนะนี่จะตั้งชื่อคนใช้ไม่ให้โดยซ้ําเลยนะส่งไปให้เลยมันมันตลกยิ่งกว่าเด็กเล่นกรเขาหมกแกงอีกนะอธิบายแล้วมันหนาใจนะอธิบายแล้วมันแล้วยังไม่เข้าใจนะยังไม่เชื่อจนนั่นแหละยังทําเงินงงงินนั่นแหละ คนทำกงเต็กขายก็รวยไปยิ่งคนหลอกคนมีเงินมีทองมากๆเขาก็ไม่เสียดายอะไรนะไมกงเต็กซื้อมาเป็นล้านลานบาทเลยนะโอ้เจ้าของกงเต็กนี่หัวเลาะผงปิ่นเลยกูขายได้เป็นล้านนะเอากระดาษนี่มาทําขายก็เอาก็เขามีสตังค์นะเข ก, ก็เชื่อมงงานเข้าไปทํากันไปส่งกันไปไอส่งก็คือเผาเผาไปกี่เท่าออไป ้ตกแต่งแทบตายมาประดิบประตอร่อแทบตายก็เผาเป็นกี่เท่าเลยก็บอกว่ามันไปแล้วไปก็ของกระดาษแท้ๆไอ้อะไรผสมกันแล้วแต่จะจะเอาวัตถุอะไรก็แต่แต่ก็เผาไปแล้วก็ส่งไปเอาละพอทีพูดถึงวิวัตถุมันก็งมงายกันไปอยู่งั้นแต่มันไม่ไปแล้วไม่มีแล้วนะไม่ไปถึงอะไรทีนี้มาพูดถึงนา ม, มาทําว่าบุญกุศลคือนา ม, มาทําถ้าบุญกุศลแล้วเนี่ยนะบุญก็คือกุศลลธรรมกุศลกรรมบาก็คืออ ก, กุศลกรรม พระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมเป็นของของตนใครทําบาปอกุศลกรรมหรือใครทําบุญที่เป็นกุศลก็เป็นของตนของตนเป็นของตนของตนที่เป็นผู้ที่เป็นของตนแล้วต้องรับมรดกเลี้ยงไม่ได้แล้วทําบาปล้วบอกว่าไม่ใช่ของกูกูไม่เอาไม่ได้ทําบาปก็ของคุณกรรมทายาโททายาคุณต้องเป็นทายารับมรดกของกรรมคุณทําชั่วมรดกของคุณคุณทําดีมรดกของคุณ แบ่งมรดกไม่ได้เหมือนกันเดินลักโลกนี่หรอกแบ่งให้คนนี้คนละร้อยคนละพันคนละที่ดินคนละคนไม่ได้ยิงเป็นนามาทำอย่างนี้แล้วไม่มีการแบ่งกรรมสกโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนแบ่งไม่ได้แบ่งบาปแบ่งบุญไม่ได้ถ้าแบ่งบาปแบ่งบุญได้เราแบ่งบาปก่อนแบ่งให้หมดเอาไว้ทําไมแบ่งออกทิ้งหนุ่นไอ้ถุนนุ่นเรื่องอะไรจะเอาไว้บาป แบ่งทิ้งก่อนส่วนบุญนี่หวงไว้ก่อนให้แบ่งให้นิดนิดหน่อยหน่อยก่อนเราก็อยากได้บุญเหมือนกันก็แบ่งบุญไว้ค่อยๆเฉลี่ยแบ่งแต่บาปไม่ต้องรอเวลาเลยแบ่งทิ้งหมดแล้ใครจะเอาไว้เราบาปมาแบ่งได้แบ่งบาปได้แบ่งบุญได้ก็แบ่งบาปได้ทีแต่ไม่เคยปรากฏว่ามาแบ่งบาปกันทั้ทิงแบ่งแต่บุญแบ่งแต่ส่วนบุญส่วนบาปไม่แบ่งกันนะบาปบุญมันก็ไปกรรมเหมือนกันทั้งคู่แบ่งไม่ได้ แล้วเราจะเลี่ยงไม่ได้ด้วยโกหก ก, ก็ไม่ได้นำนั้นทำในบาปในที่รับจะบอกไม่ใช่ของเราก็ไม่ได้ทําในที่แจง้งในที่รับในไหนใครเห็นใครไม่เห็นลงทําอันนี้คือสัจจะว่าเป็นบาปเป็นอกุศลคุณก็ต้องรับบาปนั้นไปเป็นทายาทของกรรมรับมรดกนี้มรดกไม่มีทิ้งมรดกชนิดสัจจะนี้ไม่มีทิ้งขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำทำบาปมาแต่มันมีฤทธิ์มีอํานาจเปลี่ยนสภาพหรือว่า จากทุกหนักมาหาทุกเบาเดือดร้อนจัดมาหาเดือดร้อนเบาจากไม่ดีไปหาดีมันแปลมันปรุงสภาพหรือว่าปรับสภาพสังเคราะห์สภาพได้บุญบาปนี่ได้โดยฤทธิ์โดยอํานาจของสภาพของพวกนี้สังเคราะห์แล้วมันทําให้ฤทธิ์แรงเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นหนึ่งการสั่งสมบาปบุญนี้เพื่อทําบุญเพื่อเพื่อที่จะ เปลี่ยนแปลงให้ดิ์ของบาปเนี่ยลดอ่อนรูปที่มันทุกร้อนมากหรือว่ามันเดือดวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่จะมันไม่สภาพไม่ดีมากให้มันเป็นเบาลงได้พระพุทธเจ้าถึงขนาดตรัสรู้เป็นองค์พระสมัญตุพุทธเจ้าแล้วนะพระสมณโคโดมเราเนี่ยสร้างบาปมาท่านได้เล่าให้ฟังว่าแต่ปางบันท่านเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาโดยใช้หินทุ่มในถ้ำตายบาป น, นั้นยังติด เป็นอกุศลยังมาตามานะักนาพระพุทธเจ้ายัางวิ่งหนีบาปไม่พ้นนะคิดดูแล้วกันอกุศลกรรมท่านมาเกิดเป็นพระสมณะโคโดมมาเป็นเจ้าชายเศรษฐะก็ยังมาโดนพระเทวทัตกลิ้งหินมาทับพระบาทห่อเลือดท่านก็บอกนี่จากเศษบาปส่วนบาปที่ท่านได้เคยทำไวต้ต่างบันท่านเล่าให้ฟังในปัตตบิดกมีแต่ชาติหนึ่งที่ท่านไป ข้าน้องชายต่างมารดาดังกล่าวแล้วนั่นแหะส่วนบาปนั้นอย่างตามมาใ ห, ให้เกิดผลสะท้อนตอบที่จะต้องรับผลนรวิบากบาปอันนี้อยู่ถึงปานนี้พ้นบาปบุญไม่ได้ไม่พ้นได้ไง่ายๆไม่ได้ล้างได้ไง่ายๆไม่ได้ละได้ไง่ายมือนกัศาสนาคิดมาถึงกับล้างบาปอันสารภาพบาปก็หลวงพ่อหน่อยเดียวหาย แมมันง่ายได้ยิ่งก็ดีสิก็ไปทํามาแล้วก็รีบๆขยันไปล้างบาปกับหลวงพ่อกันแล้การบาปที่ไหนก็ไม่เหลือหรอกกรรมวิธีแบบนี้นะสารภาพบาปได้อย่างนี้นะสบาย <c oughs> ไม่ยากไม่เย็ น, นความจริงแล้วสัวจจะมันไม่เป็นอย่างนั้นคําสอนของเจ้าทึงลึกซึ้งมากเลยกรรมสโกมหิกกรมาทายาทรเราทําบาปทําบุญก็ตามเป็นของของเราเพราะฉะได้ผู้ที่ตายแล้วนี่โอ้ที่ส่วนกุศลไปให้ ไม่ได้หรอกผู้ทํานี่ทําตั้งแต่เป็นๆ เ, เนี่ยนะทำได้เท่าไหร่เป็นวิบากอยู่เท่านั้นบอกแล้วว่าตายไปแล้วนี่ก่อบาปก่อบุญยากมันไม่มีสุรภ า, าโวไม่มีสติมันโตมันเหมือนคนได้เมื่อนคนนอนนอนหลับยิ่งเป็นปุตุชนด้วยหลับรู้เรื่องคุกคุมสติตอนหลับได้ไหม จะทำอะไรคุณได้ตามต้องการไหมเวลาคุณหลับอะ่ะคุณให้จิตวิญญาณมันทำอะไรตามต้องการคุณได้มหมยังไงก็อย่างนั้นน่ยมันไม่ได้มันไม่เป็นสติมันโตไม่ได้และไม่มีองค์ประกอบสุรภ า, าโวคือภาวะต่างๆโดยจริงนี่ตาหูจมูกลิ้นกายแขนขาหน้าตาอะไรมันไม่มีมันไม่เหมือนกันอยู่ในภาวะนะั้นมันไม่มีไม่มีไม่มอีอาการ32แมโอ้โหเลนบาลีเลยทวิตติงสะ อาการ32มันไม่มีอาการ32แล้วมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าวิญญาณมันจะมาทําอะไรอาการ32มาหาคนมาเดินมาย่างมาอะไรเป็นอาการหนึ่งใน32ทั้งนั้นแหะเขามาหากขมาพบเขามาพูเขามา ค, will, ค, ค unk, ücken, ุยเขามาทำให้เกิดเสียงเกิดนั้นไม่ได้ไม่มีอาการ32ท <fur Negative noise> ี่จะมาทําไม่มีสุรภาโวตายแล้ววิญญาณไม่มีสุรภาโวไม่มีสติมันโตสติก็อย่างที่อธิบายฟังแล้วก็เหมือนกับคุณนอนหลับนั่นแหละยี่เป็นปุตตุชนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ฝึกสติสตังอะไรเลยเลอะอย่างนั้นแหละคุณควบค คุณกำหนดวิญญาณจิตของคุณในตอนหลับนั้นให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ได้ที่ไหนชั้นใดก็ชั้นนั้นยังใดก็อย่างนั้นเลยมันไม่ได้หรอกจะไปเดาจะยากนั้นคนเราถ้าจะทำบุญก็ทำเป็นๆเนีย่ยจะทำบาปก็ทำเป็นๆเนี่ยเดี๋ยวไปทำบาปแต่คนที่ทำบาปก็ทำเป็นๆ น, นี่แหละแต่พระพุทธเจ้าก็สอนห้ามสัพพ ป, ป, า, ป า, า, า, าปัสสะกระนังบาปทั้งวงอย่าทำเลยยังกุศลเท่านั้นให้ถึงพร้อมส่วนดีเท่านั้นไอเสินบาปเดีย๋ยวไปทำเลยแม้มีประมาณน้อยเลยไปทำเลย คุณทํานิดนึงก็เป็นของคุณลงไปแล้วเป็นมร ด, ดกปลดไม่ได้โกงไม่ได้เอาไปยัดเยียดให้ใครไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยพวกเราเนี่เชื่อบาปเชื่อบุญกันมากอย่างพวกชาวโสมเราเนี่ยที่มาอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ทําไปงอกงอกก ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง ร, รู้ว่าเราสั่งสมบุญของใครก็ของมันใครขยันมันเพียน ส, สนยร้างสรรเสียสลากก็เสียอย่างเนี้ยไอ้ไหนมันเป็นการเอาเปรียบเอารัดเป็นการลบโมโทสันก็ขี้โกงมัง่งอันนูนี่มัง่งก็อธิบายอธิมาธิบายละเอียดละออลึกซึ้ง แม้แต่ทฤษฎีกําไรขาดทุนของอาริยชนอะไรก็อธิบายเขาย้ายความให้ฟังมากมายจนพวกเรามั่นใจเข้าใจแล้วก็เต็มใจที่จะทำแล้วก็เป็นสุขแม้ว่าเราเองเราไม่ได้ยึดติดแม้แต่บุญที่เราทํากุศลที่เราสร้างสิ่งที่เราเสียสละแล้วก็ไม่ลหลงไหลได้ปลุ้มเป็นของเราแต่มันก็ต้องเป็นของเราเพราะว่ากรรมใดๆก็เป็นของตนของตนเป็นแต่เพียงว่าเราเองอะติดยึดมากมันก็จะเป็นของตัวของตนถือถือใครมาแตะมาต้องใครมาอย่า ง, งน้นอย่างงี้ใครมาลบหลู่ใครมาว่า มันก็ทุกของตัวเองอะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ถือไม่ติดไม่ยึดไม่ถือสาใครจะมาว่าเรามีของดีเขามาว่าเราไม่ดีก็จะบอกว่ไอ้ของดีวัฒนธรรมดีมันก็คือดีใครมาว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ถูกต้องมันก็เป็นภาษาเขาพูดเองและของดีเราจะสลายจะเสื่อมไปเหรอถ้าบัณฑิถ้าของดีที่เราเป็นเรามีแล้วมันก็เป็นดีอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ได้ละลายปากคนประกาศสิทธิไม่ดีถ้าบัีฑของเราดีบอกเองไม่ดีไอ้ที่ทำดีนั่นะไม่ดี ต้องสูญหายไปสาบใครมันจะมาสาบสัจจะพวกนี้ได้มันสาบไม่ได้หรอกใครมันจะเก่งขนาดนั้นก็ไม่มีใครสาบต่อให้พระเจ้าที่เขาบอกว่าก้อนใหญ่ๆนั้นมาสาบที่เราทําดีแล้วพระเจ้ามาสาบสิ่งดีที่ของเราทำนี้ให้หายไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่ของพระพุทธเจ้าพบอย่างนี้สมัยพระเจ้าก็มีพระพรหมมีพระนารายณ์มีพระศิวะมีพระอะไรพระเจ้าใหญ่ๆโตๆเขาาก็ตั้งชื่อกันไป มีอำนาจลือเกินยิ่งใหญ่สั่งให้เสียสั่งให้เกิดสั่งให้ตายสั่งให้สูญสั่งให้มีสั่งให้เป็นได้ทางนั้นน่ะพระพุทเจ้าบอกไม่จริงในจริงอ่ะพระเจ้าไหนๆก็มาบันดนบันดาลมาสั่งทำลายสัจจะพวกนี้ไม่ได้สัจจะของใครก็ของมันสิ่งดีก็ของตนสิ่งชั่วก็ของตนใครทําอันนั้นข้อสําคัญทําหรือไม่ทําถ้าเราทําจริงต้องเป็นของคุณถ้าคุณไม่ทํามันก็ไม่เป็น คุณทำเป็นบุญก็เป็นบุญคุณทำเป็นบาปก็เป็นบาปไปเอายาลบหมึกชนิดเก่งขนาดไหนมาลบก็ไม่ได้จะไปแก้ไปเปลี่ยนแปลงเหมือนกับแปลงตัวเลขสลากกินแบ่งเหมือนแปลงปลอมธนบัตรเหมือนแปลงปลอมอะไรปลอมไม่ได้แปลงไม่ได้สัจจะคือสัจจะเนี่ยต้องเรียนรู้ให้ดีๆธรรมะของพระอาจารย์นี่ลึกซึ้งและจริ ง, งจังเพราะงั้นใครเห็นจริงก็เริ่มต้นชีวิตอย่าไปทำเลยชั่วๆบาปบาปโลภโมโทสันสมโลภขี่โกงเอาเปรียบเอารัด เราให้เขานี่แหละมันเป็นคุณค่าเราเอามาเนี่ยมันเป็นนี่หมดคุณค่าถ้าเอามาเกินสัจจะของราคาร้อยเอาเกินมาร้อยมันก็เป็นนี่ถ้าขอราคาร้อยเอามาคืนมาร้อยมันก็เจ้าแล้วมันไม่มีคุณค่ามันมีประโยชน์อะไรแล้วถ้าเราเอาคืนมาเท่าค่าของมันจริงแต่ถ้าเราเอาคืนมามากกว่านั้นเราก็ขิ้โกงเข้ามาแล้วเอาเปรียบเข้ามาแล้วเป็นนี่นะ เอามากเกินเท่าไหร่ก็เป็นหนี้เท่านั้นไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าวันๆจะมาใช้หนี้กันทันทีทันใดเพราะนั้นหลายคนก็ประมาทไม่ใช่ว่าเอาเกินมาชาตินี้ก็จะใช้หนี้ชาตินี้ทันทีโดยบาปลดบุญแต่มันก็มีนะมีการสลายมีการทำลายคนที่มีวิบากบาปเยอะๆสูงๆทันทีทันใดเห็นชัดทันตาทันชาติก็มีเหมือนกันเพราะงั้นในเรื่องของกรรมนี่มีมีทันทิุฐิตทิฏฐตธรรมทิฏฐเวธนิยกรรม ทิฏว เ, เวทนิยกรรมกรรมที่เกิดทันตาเห็นมีเหมือนกันแต่การที่กรรมที่จะต้องไปรับชาตินาชาตโน้นก็นเป็นไปเมืออ่อพระพุทธเจ้าข่าน้องชายตั้งแต่ปางโน้นก็ค่อยไปรับผลอีกตั้งหลายปางจนเมพระพุทธเจ้ายังตามมารับผลอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันได้ น, น, นานๆก็ได้เพราะอันนี้มันไม่แน่ไม่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณจะไปทําให้มันมีเมื่อเพื่อที่จะเราจะต้องไปรับมันทําไมแล้ไปกําหนดเอาก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้ไม่ทํามาทําไม ว, ว่าถ้าบอกว่เราได้ศึกษาดีๆแล้วทำมางูพุทาเนี่ยแล้วเราก็มาสั่งสมแต่บุญอ ะ, อะไรอะไ ร, ะไรที่มันเป็นบาปมันเป็ น, ปนอกุศลอะไรเราก็ไม่เอาอะเราทาได้ขนาดนี้สั่งสมกุศลไปได้ม า, มากๆเป็นกําไรอกุศลน้อยส่วนกุศลมากเป็นกําไรอย่างมหาศาลคุณก็อยู่รอดคุณก็ได้สั่งสมชาติหนึงชาตินึงก็ได้สั่งสมบุญมากกว่าบาปคนเรามันก็ต้องมีทั้งบาปและบุญนั่นแหละ แต่เราได้สั่งสมบุญมากกว่าบาปนี่แหละคือชีวิตนักคานักธุรกิจชั้นหนึ่งได้กาไรซึ่งมันจะทวกนกระแส ก, กันกับนักธุรกิจชั้นโลกนักธุรกิจชั้นโลกได้กาไรของเขาคือวัฒนวัตถุที่ได้เปรียบได้มามากเท่าใดทางนามมาทำยิ่งสวยมากเท่านั้น แต่ทางด้านนามาทําหรืองด้านธรรมะเนี่ยยิ่งได้ให้เขาเราเมื่อก็เสียเปรียบหรือเราเสียสละได้มากเท่าไรเรายิ่งได้มากเท่านั้นยิ่งได้ให้วัตถุแรงงานอะไรอะไรแก่คนได้มากๆสร้างสรรค์เผื่อแผ่เกื้อกูลเราสิไม่เอามากไม่เอาแลกเปลี่ยนกับคืนมามากยิ่งอยู่ในฐานะที่ทํางานฟรีไม่ต้องเอาอะไรเลยคนจะหมุนเวียนมาเกื้อกูลนี่มันมีภาวะซับซ้อนนะ อย่างคุณมาทำบุญกับอาตมาเนี่ยนะมาทบุญกับอาตมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับเราไปทำบุญกับคนอื่นๆธรรมดานะเพราะว่าเราไปทำบุญกับคนอื่นๆธรรมดาเนี่ยเราเอาไปให้ให้เขาเพื่อที่จะลดความโลภของเราคุณเอามาให้อาตมาเพื่อคุณจะลดความโลภของคุณลดความโลภมันก็ซ้อนอยู่ว่าคุณจะมีใจบริสุทธิ์ขนาดไหนที่คุณจะให้โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน ถ้าไม่รู้นี่นะซึ่งมันก็มีอยู่ทุกวันพวกศาสนาพุทธก็ตามพุทธศาสนิกชนไปทําบุญทําทานก็ขอให้ได้ลาบขอให้ได้ยศขอให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขขอแลกเปลี่ยนไม่เป็นตัวเงินเหมือนกันไม่ไม่ใช่วัตถุเหมือนกันก็ตามขอมันอยู่นั่นแหะขออะไรก็หมารู้นี่คือไม่บริสุทธิ์เพราะเราก็เป็นมนพิสูจน์ตัวเองว่าให้บริสุทธิ์ยิ่งเราทําทานอย่างบริสุทธิ์เท่าไรไม่ต้องการอะไรตอบแทน แต่เราทำเพราะเรารู้ว่าถ้าให้ผู้นี้ไปผู้นี้จะได้ไปใช้ประโยชน์หนึ่งท่านเองใช้สองท่านไม่ได้ใช้กับบาเบลอตนเองมากมายหรอกแต่ท่านใช้ก็เพราะจําเป็นเอาข้าวมาให้ท่านท่านก็กินพอยังขันถ้าท่านมีกําลังวังชาได้กินข้าวที่คุณให้ถ้าจะเอากําลังวังชาไปทําไมกําลังวังชาของท่านก็จะไปสร้างสรรค์ไปทําประโยชน์แก่มนุษย์อื่นต่อไปอีกไปอีกไม่ใช่ว่ามีกําลังวังชา เพื่อจะได้ไปเสพสุขจะได้ไปตีกอล์ฟจะได้ไปเต้นระ บ, บําจะได้ไปเสพสัมผัสทั้งรูปรถกลิ่นเสียงอ ะ, ะอะไรต่ออะไรต่ออีกมาบำเรตอตนเป็นกามารมกามาคุณเปล่าท่านไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านจะมีกําลังวังชามีพลังงานเพื่อที่จะไปสร้างสรร์สิ่งที่วิเศษสิ่งที่ดีเพื่อมนุษยชาติในเดือนไอีกบุญของคุณมาทํากับผู้ที่ทันรับเนี่ยคุณให้มากท่านจะเหลือมากท่านก็กินเท่า ก, กินหรือเอาละเอาข้าวก็แค่ข้าวคุณไม่ให้ข้าวคุณให้เงิน ให้เงินตนมาท่านก็ไม่ซื้ออยู่แล้วท่านก็เอาไปทำบุญเพราะว่าข้าวมันก็มีกรรมวิธีของศาสนาพุทธอยู่แล้วอย่งมาเป็นนักบวชเนี่ยมันก็มีข้าวเอามาปะเคนเอามาถวายมันไม่แหม่มันไม่อดไม่อยากทุกวันนี้เนีวศาสนาพุทธเสื่อมมากมายแล้วก็ไม่อดตายหรอกจะได้มีข้าวกินอยู่นั้นเพราะฉะนั้นเรื่องข้าวเรื่องอาหารนี่นะปัจจัยสีนี่นะไม่ขาดแคลนหรอกเอาเงินมาถวายล่ะเอาเงินมาถวายแล้วจะเอาเงินไปซื้อข้าวกินทําไมพระไม่ต้องซื้อซื้อก็ไม่ได้อาบัตรซ้อนอยู่แล้ววินัยมีซ คนพระไปถึงกันนั่งโต๊ะเลยนะพระสมัยนี้ข่าวล้านสั่งอาหารเสร็จแล้วจ่ายซับอาก๋วยเตี๋ยวหรือว่าก้าวหูฉลามก็แล้วแต่สั่งกินยังมีเงินนะนะพระนั่งโจเลยเสร็จแล้วก็จ่ายเงินเลยแบบนี้ไม่ใช่พระของพุทธหรอกพระของพุทธต้องเรียนรู้ความจริงไปทําอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนั้นผิดซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ไปซื้อกินเองนี้ไหมแค่บิณฑบาตกินดีท่านให้เลี้ยงตัวได้ปรีแข่ง จะมีได้ ก, าจาก็จากจับจากงานสลากกพัดจากงานนนท์งานนี้หรือว่างานรับนิมนต์งานอะไรก็แล้วแต่มีข้าวกินหรือแม้แต่ที่สุดกินข้าวที่ครัวที่ในส่วนนี้ทําก็ได้แต่ท่านหน้าเหมือนนะแม้แต่กิน ข, ข้าวที่ปรุงเองในครัวเนี้สองวันติดกันไปยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท้านก็ให้ต้องพยายามบินทบาทอันนี้เป็น จิตวิยาหรือเป็นกรรมวิธีที่จะต้องไปโปรดสัตว์อื่นต้องสัมพันธ์กันเราเป็นประโยชนแก่เขาเขาต้องเป็นประโยชน์แก่เราเรากินข้าวของเขาเราจะต้องเกือ้อกูลเขาคุณกินได้ข้าวของคุณเองคุณจะไปเกือ้อกูลคนอื่นทําไมเพราะงั้นพวกปลาที่ไม่บินทบาทไม่ไปต้โปรดสัตว์ไม่ต้องไปเฉลี่ยเพื่อแผ่แก่คนทั่วไปนะกินเดมข้าวของตัวเองดีไม่ดีเงินของกูกูซื้อกินของกูเองแคบที่สุดเลยาศาสนาไม่มีกตันอยูกตเวทีเพื่อแผ่เกื้อกูลสืบสานออกไปไม่เพื่อแผ่ เป็นาศาสนาด่วนห้วนเพราะฉะนั้นมหายานเดียเ๋ยวนี้ทำข้าวกินเองหมดเลยไม่โปรดสัตว์แล้วแนวของพระเจ้าเนี่ยนะวิธีการของพระเจ้าที่ลึกซึ้งซับซ้อนมากากรรมวิธีบินทบาทในนอกจากจะได้ออกกําลังกายไปโปรดสัตว์แล้วยังเป็นกรรมวิธีทําให้าศาสนายืนยาวกันไปเกื้อกูลกันมีเมตตาเกื้อกูลมีการไปเผยแพร่ไปช่วยเหลือเฟอื่องฟายไปอะไรต้องไปอ่านศาสตร์และศิลป์ของบินทบาตทีเทตมาเขียนไว้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่มเส้น ส, สำคัญนะครบอกพวกเราหลายคนยังไม่อ่านทฤษุตอุป萨แจกโดยเฉพาะยิ่งนักบวชเนี่ยให้ให้ทุกรูปให้อ่านอาตมาเชื่อว่าบางรูปคงย่ออ่านได้หน้าหนึ่งสองหน้าเท่านั้นเดานะเดาสาตรและสิลปของบิณฑบาตเนี่มีนัยยะหลายๆอย่างไม่ใช่พูดแต่แค่บิณฑบาตอย่างเดียวมันมีการสัมพันธ์เกี่ยวข้องมันมีคุณลักษณะต่างๆนานาของสมณะจะต้องศึกษาจะทํากายจะทำ ย, รรยังไงจะทำวิจิยังไงจะทําใจในใจอย่างไรทําไมเรื่องบิทฑบาตจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องสําคัญนัก อาตมาพยายามเอาหลักฐานเหตุผลและก็เรื่องจริงต่างๆมาขยายความมาอธิบายสู่ฟังแต่คนยังไม่รู้หรอกว่าหนังสือที่มีค่าอย่างนี้อย่างนี้มีความหมายลึกในแนวของพุทธมากมากอย่างนี้คนก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้สึกเท่าไหร่หรอกแต่ไปแต่เป็นลายอาตมา ก, ก็ไม่ได้ไปหลงตัวหลงตนอะไรใครเขายังไม่รู้ก็ปล่อไปก่อนอาตมาตายไปแล้วสองล้านปีเขาค่อยรู้สึกกระชังมันแต่เขาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาตมาตายไปแล้วสักแคสิบปีร้อยปีค่อยรู้ว่าไอ้นี่เป็นของดีก็คอยวาดไป เสร็จแล้วจะชมเชย อ, อีกทกีตายไปเสียแล้วแม้จะยกย่องเชื้ชูที่ตายไปแล้วอ่าก็แล้วแต่เขาอ่าอาจารมาพูดเหมือนเดีย๋ยวยกตัวยกตนเหมือนกระหลงตัวหลงตนเหมือนอย่างยิ่ ง, ยงพยองจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกต้องทําไว้แล้วก็ต้องอย่างนี้แหละและ้วอามาก็ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรหรอกว่าคนไม่นิยมชมชื่นอ่าใครก็ไม่เห็นว่าคุณค่าอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ว่ามันยากและมันก็รู้ค่ากันไม่ชัดไปเจนจนกว่าจะรู้ค่ามางคนชัดเจนแล้วก็จะเข้าใจนะ ว่าในการทําบุญทําทานทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องศึกษาศึกษาอย่างมีปัญญาอย่างละเอียดแล้วเราจะเป็นผู้ที่พยายามสร้างสรรค์เสียสละแล้วก็ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มักน้อยสันโดษเลี้ยงง่ายไม่ต้องไปสะสมกองโกยชีวิตก็อยู่รอดและชีวิตจะมีประโยชน์บุญมากด้วยไม่ใช่ว่าชีวิตที่เราไม่มีเงินไม่มีทองเราจะทําบุญไม่ได้มากไม่จริงชีวิตที่ไม่มีเงินไม่มีทองนี่จะทำบุญได้มากถ้าสามารถทําให้มันถูกลาดับมาจริงแรงงานที่ออกไปสดๆเนี่ย เป็นค่าบุญมากกว่าถ้าเป็นค่าเป็นแรงงานที่เสียสละสร้างสรรค์เสียสละสร้างสรรค์สิ่งที่ควรสร้างสรรค์ที่เป็นอุปสงค์หรือเป็นดิมานของสังคมที่ดีของสังคมในขณะนั้นกาลนั้นแล้วคุณก็สร้างสรรค์สิ่งนี้ให้สังคมสร้างโดยไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนกลับคืนมาไม่ต้องอยากได้อะไรมาทดแทนให้มันเสียค่าเสียราคาไม่ให้ราคาของบุญหมดไป แรงงานที่แท้ที่ทําจริงด้วย จ, จิตบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็มีราคามีค่าที่ต่างกันเหมือนกันไม่บริสุทธิ์ก็มีค่าต่างกว่าถูกกว่าถ้าบริสุทธิ์กว่าก็มีราคาสูงกว่าค่าสูงกว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติของสัจจ์นะวันมาศึกษาลึกซึ้งแล้วเนี่ยพวกเราจะมาจ่ายแรงงานก็ดีจ่ายวัตถุ ก, ก็าตามมันจะมีราคาบาปราคาบุญประกอบไปด้วยกรรมกริยาของจิตวิญญาณด้วยถ้าเราเป็นคนที่ยิ่งมักน้อยสันโดษ กินก็ไม่หมากเลี้ยงง่ายอาศัยปัจจัยสีก็ไม่หมากอาศัยบริการเครื่องใช้ที่จำเป็นสำคัญเครื่องที่ไม่จำเป็นไม่สำคัญก็ยังไม่ต้องก็ได้จำเป็นสำคัญเมื่อไรก็ใช้แล้วก็รู้จักประหยัดประณีดประหยัดไม่ฟุงเฟอ้อฟุ่มเฟอือยอะไรและใช้มันได้ผลได้ประโยชน์ได้คุณค่าที่สมบูรณ์จริงในซับซ้อนลึกซึ้งแล้วก็ทำกันไปแล้วก็รู้สังคมวควรจะทำขนาดไหนนะ รับขนาดไหนเอามาสร้างขนาดไหนจะเป็นคุณค่าขนาดไหนต้องมียานปัญญาที่ลึกซึ้งรู้จักฐานะของสังคมกระแสของสังคมค่านิยมของสังคมมนุษยชาติยิ่งกว้างได้ก็ยิงดีถ้าสามารถประมาณการไม่ผิดคำนวณการไม่ผิดถ้าคำนวณการยังกว้างยังใหญ่ไม่ได้ก็เอาแค่เล็กแค่น้อยแค่แคบกนตามภูมิธรรมแล้วทาไปไม่ต้องอยากใหญ่หรอก ถ้าคุณค่าของมันใหญ่ของมันเองมันจะกระจายไปคนก็จะรับรู้แล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อคนคนนี่แหละจะเป็นผู้ตอบรับเราเองว่าเราขยายได้กว้างขยายได้ใหญ่จริงหรือไม่แม้คุณจะมีสิ่งดีจริงๆแต่ถ้าประชาชนหรือคนเขารับไม่ได้ของนั้นก็เหมือนไม่มีค่ามันเหมือนกับไก่เห็นพลอยมันก็เหมือนกับลิงเห็นแหวนเห็นแก้วมันไม่รู้ค่าหรอกคนก็ไม่รู้ค่าสิ่งนั้นแล้วก็จะไป บ, บังคับเขารู้ก็ไม่ได้ เมื่อเขาไปรู้ว่าไม่มีค่าเขาก็ไม่เอาเนอกจากไม่เอายังด่าสิซ้ํายํายีได้๋ยวซ้ำไปก็ยังได้ไม่แปลกหรอกเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่มีค่าคนที่รู้ค่าคนที่เข้าใจเข้าใจค่าเขาก็จะสนองตอบเขาก็จะรับเราก็ใกล้กับคนที่รู้ค่าแล้วพยายามรังสรรกันคนที่รู้ค่ า, า, ร, ค ร, คารับค่าไปเจริญงอกงามเป็นคนประเสริฐเจริญขึ้นสูงขึ้นสูงข <c oughs> <c oughs> ึ้นก็เป็นคนที่รับค่ารับคุณนี้ได้ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยก็มาช่วยกันรวมกันนะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว เข้ามาเป็นสมานัตตาเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่สมัครสมานสามคัคคีมีสมรรถนะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับ น, นี่เป็นระยะของาศาสนาพระเจ้าที่ซับซ้อนมากมายบรรพกเรานี่มีชีวิตอยู่แค่เกิดแล้วก็ตายช่วงระยะที่ยังไม่ตายนี่แหละสังวรระวังบอกแล้วว่าสุรภาโวสติมันโตอิทพรปมจรรยาวาโซเป็นผู้ที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้มากที่สุด บุญกุศลนี่มีทั้งโลกีมีทั้งโลกุตระมันพยายามเถอะพยายามสร้างสรรค์ไปแล้วเราจะได้ถ้าเผื่อว่าคนไหนที่ฉลาดรู้จักสักจจะพวกนี้จริงแล้วเราก็สร้างได้ทั้งที่เป็นโลคีและโลกุตระไปพร้อมกันเป็นบุญทั้งสองด้านเลยบุญโลกุตระที่ชัดเจนง่ายๆก็คือมันลดกิเลสเราทุกเวลาเราทําอะไรไปก็ได้ลดลดกามลดอัตตามาณลดจริงๆลดไปเรื่อยนะั่นคือบุญทางโลกุตระ บุญทางโลกิยะนั้นกัมีทั้งแรงงานที่ได้เป็นข้าเป็นของเป็นวัตถุเป็นทรัพย์สินสินิคารหมุนไปเวียนมาเป็นบุญทางโลกิยะเป็นทั้งสภาพวัตถุรูปธรรมนารูปธรรมด้วยมันก็จะมีจริงๆริงจะมีได้จริงๆเลยจะมีคนหมุนเวียนคนจะสนิทใจคนจะเกื้อ ก, กูลนะพิสูจน์ชาตินี้ก็ได้ คุณเองคุณเป็นคนขยันมั่นเพียรแล้วก็แจกจ่ายเจือจานเกือ้อกูลคนนี่นะคนเหล่านั้นเขาก็จะรู้สึกรู้จักบุญจักคุณถ้าเขาไม่เลวเกินไปเมื่อคนไม่เลวเกินไปเขาก็จะรับรู้ว่าโอ้นี่เราก็ได้เคยเกือ้อกูลเขา้าช่วยเหลือเขาให้วัตถุเขาอะไรก็แล้วแต่พอเราขาดแคลนขึ้นมางคนนั้นไม่ใช่คนเลวนะ ก, ก็กระตันยุกตวเวทีก็ทดแทนช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่างก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเราช่วยเขาเขาก็ตก้องช่วยเราตอบแทนเราไม่ต้องหวังหรอก สำหรับคนดีไม่ต้องหวังเราจะตอบแทนกันจริงๆจริงๆอัตมาไม่เชื่อนะว่าอัตมาจะเดือดร้อนขึ้นมาตอนนี้เนี่ยพวกคุณนี่ก็ได้รับประโยชน์จากอัตมาได้เคยช่วยมาบ้างนี่ไม่ได้ทวงบุญทวงคุณนะอัตมาไม่เชื่อว่าพวกคุณจะไม่ช่วยอัตมาช่วยคุณจะช่วยแล้วแต่ใครจะช่วยได้แค่ไหนหรือใครจะมีกตัญยูกระตวเวทีมากแค่ไหนบางคนช่วยแค่เนี้ยอราก็ไม่ว่าอะไรเราไม่ได้มาทวงอัตมาไม่ได้มาทวงนะ ช่วยแคนี้ก็แค่นี้ใครจะช่วยมากก็ตามใจนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคนจะไม่ช่วยหรือเหลือเราถ้าคนยิ่งอยู่ในแวดวงของคนกลุ่มนี้เป็นคนดีด้วยกันแล้วนะคุณก็ต้องคัดคนดีอย่างเราในคัดเลือกคนดีเข้ามาเรื่อยๆและยิ่งเป็นคนดีแล้วคุณจะไปกลัวทําไมที่จะไป ม, มีกระตันยูกระตวเวทีจะไม่เกิดอกูเอื้อเฟื้อช่วยเหลือจะไกลัวทําไมและคุณก็ไม่ต้องไปต้องการความช่วยเหลือมากมายดยเพราะว่าคุณเองคุณก็มักน้อยสันโดษไม่ได้ต้องยุ่งอยากบุญไว้ ต้องเฟอต้องเรือต้องสุรุย่ยสุรา่าอะไรเราใช้กันน้อยๆกินกันน้อยๆอะไรกันน้อยๆแล้วก็ยิ่งง่ายคนจะช่วยก็ง่ายเพราะจริงๆมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเงี้ยหมุนเวียนอยู่ตามสัจจะอย่างเงี้ยจริงๆคุณทํำไหมแม้แต่รับหลังคุณทําไม่ได้ทํางานการนัน่นนี่สร้างสรรค์นั่นนี่นคุณทํำไหมละ่ะตอนหน้าทํารับหลังก็เป็นนั่งหลับนั่งงงดูไปไปทําอะไรก็แล้วแต่สุขดีดไม่ดีก็ไปบําเรอตอนใ น, นจุดจุดนั้นจุดนี้ ข่าวสวมก็เป็นบันเลอตัวเองอยู่ในนั้นนะอ่านหนังสือลามกอยู่ในส้วมไม่ให้ใครเห็นอะไรแล้วแต่แอบทําไปตามเรื่องคุณทําอะไรกันแน่คุณมีอิริยบทอะไรกุศลหรืออกุศลดีหรือชั่วคุณทําที่ไหนก็เป็นสัจจคของคุณที่นั่นเพราะฉะั้นเราเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อเรียนรู้กุศลอกุศลให้ชัดแล้วก็สร้างกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมบาปหรือสัรพปาปัสารการณ์หรืออกุศลใด ไม่ทําเสร็จได้เลยนั่นแหละเป็นดีพระพุทธเจ้าก็ท่นตรัสอย่างนี้แล้วเราก็ละเวน้นได้มันอดไม่ได้ทนไม่ได้คุณทําคุณก็ต้องยอมรับกรรมเป็นอันทำทําแล้วจะไปโยนทิ้งโยนขว้างไม่ได้ทําแล้วก็คือทําลงไปแล้วอย่างนั้นเลยจริงอย่างนั้นเลยเป็นของคุณของคุณอย่างนั้นพระผู้ทธไดที่เข้าใจกุศลอกุศลได้ลึกซึ้งละเอียดดีแล้วเราก็มีอินทรีย์พะละงมีกําลังที่จะหยุดอกุศล ยังกุศลได้ถึงพร้อมไปได้อย่างฉลุยอย่างง่ายอย่างสะดวกผู้นั้นก็มีแต่บุญเมีต่กุศลมีแต่คุณค่าที่ดีไปได้เรื่อยๆเลยนะและวันวั น, ว น, วนคืนคืนเรารู้ความจริงว่าเราเองเนี่ยนะวันวั น, วนคืนคืนเราไม่ได้เปลืองเราไม่ได้พลาญเราไม่ได้ทําลายเราไม่ได้เสียอะไรมากเลยเพราะตัวเองเนี่ยสำหรับตัวเราเองเนี่ยน้อยกินน้อยใช้น้อยแล้วเปีืองง่ายเปลืองน้อย แต่สิ่งที่เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่เรามีคุณค่าประโยชน์ในโลกนี้มันมากเท่าไหรได้ถ้าคุณอุตสาหะภาคเพียรมันก็เป็นของคุณนั่นแหละใครโกงไม่ได้หรอกจะแบ่งให้คนที่เรารักที่สุดก็ยังแบ่งไม่ได้เลยให้ด้บริสุทธใจนะเอาเลยคนที่รักที่สุดเอาไปเลยอ้าวเอาอาตมาเนี่ยคงจะมีบุญอยู่อกองไปโตนะักกอง ข, ง, ขงขนาดนี้มาแบ่งไปท ยังไม่ตายจากกันนะตายแล้วไม่รู้ไปอยู่มุมไหนอยู่ถนนที่นรกที่เจสวรรค์ที่9ซอยอะไรอ่าซอยนิมานน ร, รดีซอยนันทวรรันที่ไหนยังไม่รู้เลยบ้านเลขที่เท่าไหร่ยังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มันดังคำยะทาวริวหาปูราปริปุรเรนติซาครั้งส่งไปให้ผู้ตายโถอยังไม่รู้ว่าอยู่บ้านไหนเล ย, ยไม่ส่งไปถึงเลย มันก็ไม่มีที่ไปที่มาด้วยซ้ำแต่ว่ากันจริงเนี่ยเล่นตลกกันอยู่ไปไปมามาเพราะงั้นบุญบาปอะไรก็ของเราแบ่งไม่ได้แจกกันไม่ได้ส่งไปให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ทําแล้วก็เป็นวิบากของเราไปถ้าเราตราบใดที่เรายังไม่วางอัตตาเป็นที่สุดปริภานตราบนั้นเราก็ยังจะมีอัตตาที่จเจริญเจริญเจริญเจริญเจริญเจริญไม่มีที่สิ้นสุดจนสุดท้ายจะเป็นอรหันต์ขนาดระดับอรหัตผลของ สมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละอรหัตผลของสมาสัมพุทธเจ้านะี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่อรหัตผลของพระอรหันตธรรมดารึโสดาที่มีอรหัตผลแต่ละเรื่องแต่ละอย่างไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าเข้าใจแล้วนะเนี่ยมันมีสัจจะของมันเป็นอย่างนี้นะ เนื่ในวันที่เป็นงานศพของโยมตังไลนี่นะแล้วก็อาตมาก็ว่าไดเทศเนื้อหาสาระของสัจจะที่พวกเราควรได้ยินได้ฟังคนเก่าก็ฟังซ้ําอาตมาก็ไขความนัยยะที่เชิงภาษาก็ตามเชิงโวหารเชิงสื่ออะไรออกไปเพื่อที่จะให้รู้ก็อาจจะได้รู้ดีขึ้นไปกว่าเก่าส่วนคนใหม่อาจจะฟังแล้วนะหูหักอะไรเว้ไม่เคยได้ยินมันกับตลปัดไปหมด อะไรกันก็ได้นะก็ตั้งหูตั้งใจฟังดีๆฟังหรือว่ายังรับไม่ไหวก็ไปฟังซ้ําฟังทวนหรือไม่ไหวรับไม่ไหวเลยก็แล้วแต่ไม่ต้องรับอีกก็แล้วแต่นะอัตมาก็ไม่ไดเจตนาจะทำให้ทุกร้อนหรือไม่ทําให้เข้าใจผิดอะไรหรอกเพราะอัตมานแน่จะว่าที่พูดเนี่ยพูดใดยสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้พูดสิ่งผิดสิ่งพลาดไม่ได้พูดพูดอย่างเดาๆพูดอย่า ง, างสันนิษฐาน ขอยืนยันว่าสิ่งที่พูดนี้ไม่ใช่สิ่งสันนิษฐานเป็นสิ่งที่อัตมามั่นใจในสัจจะมีสภาวะรองรับแล้วก็เอามาขยายความเป็นภาษาที่จะสื่อให้พระคุณฟังและเข้าใจได้พยายามให้มันง่ายเหมือนงายของที่คว่ำเหมือนจุดไฟในที่มืดเหมือนเอาของลึกมาให้ตื่นให้พระคุณได้รับทราบได้ทางที่พอจะมีกาลลามีสิ่งที่เราได้สาธยายสู่กันฟังก็คิดว่าเป็นเนื้อหาพอสมควรที่เราจะได้รับไปแล้ว สำหรับเทปวันนี้ก็ขอเอวังลงเตียงทน